พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่25โดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าวัดเป็นที่สะสมบุญไม่ใช่สะสมบาปหลวงพ่อลงไปข่าวที่แล้วเนี่ย ไปที่สวนแสงธรรมแต่ก่อนหน้านี้ก็คงจะมีแต่ก็เคยขอร้องเรื่องอาหารเวลาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยส่งอาหารไปกระสงลำเลียงไปส่งไปนนทนไปขนเข้าเก็บไว้ไม่ให้คนกินเ อ, เอาไว้ให้หมูพวกเพื่อนตัวเองข่าวหนึ่งก็รู้สึกว่าเรียบร้อยลงไปข่าวนี้อีก เข้ากับอีหลอบเก่าอีกอย่างเกานะ่าความโลภเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยคงจะลงไปคงจะ ช, ช่วยกันดูอีกมันคล้ายๆว่ามันจะต้องได้ติดป้ายดูแลเรื่องอาหารเพราะหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆไปเห็นเรื่องอาหารเนี่ยรู้สึกว่ารั่วไหลพอใดใครมาก็หยิบเอาบางคนก่อนเนี่ยเวลามากินข้าวกับหมูกับเพื่อนอยู่ในทาดเดียวกัน นุ่นขนใส่ตะก้าแล้วกินอาหารบ่พอมาล้อมมาแหลมเลยตัวเองเอาใส่ตะกงตะก้าไปแล้วเอนี่แหละดูดูแล้วไม่ไม่มีมารยาทไม่สมควรพูดที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยมันต้องมีน้ําใจต่อกันมีอะไรก็กินด้วยกันมันเหลือมันเศษไปแล้วยัางใครเอาไปไม่ใช่วะใครอยากก็ยิกเออ เอาต่อหน้าเอาอะไรเห็นว่าตัวเองชอบก็จะไปเอาอย่างนั้นนะมันไม่ถูกควรจะให้อยู่กินด้วยกันซะก่อนฟังเอานะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะใจเขาใจเราเหมือนกันนั่นแหละที่หลวงพ่อพูดนี่นะเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขามันเหมือนกันเพราะนั้นต้องมีน้ําใจต่อกันเรื่องอาหารการบริโภคสัเพสัตตาอาหารฤทธิกา สัตว์ทางหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารพวกเราเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความเป็นธรรมในชุมชนในกลุ่มของพวกเรานะแตก่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับคนมาทําร้ายทําลายสัตว์ในวัดสมัยอยู่บ้านตากมีไหมหลวงพอนะ่อหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะหลวงพ่ออยู่บ้านตากก็เคยมี เรื่องอย่างนี้นะเอแต่หลวงตาท่านจัดการอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นะนี่สมัยหลวงพ่ออยู่บ้านตาเขาจะลื้อลวดน้าและจะสร้างกําแพงกําแพงบ้านตาดเดี๋ยวนี้นะอ่ะเขาลงตาท่านก็นกนว่าให้ลื้อลวดน้ําำเขาก็ใส่แท็กเตอร์รถนั่นไงถ่ายลื้อลวดน้าแล้วก็ถายป่าออกเพื่อจะสร้างกําแพง ปับสถานที่พูดง่ายๆมันก็ยาวนะเพราะเนื้อที่ทั้งหมด60 1ิบรหกว่าไร่วัดบ้านดาดนะ่ยที่กําแพงล้อมรอบนะแต่นี้ก็กระลอกกระแตลูกตาก็เลี้ยงไว้เยอะทีนี้เอ่อทั้งกระรอกทั้งกระแตทั้งอะไรต่อไม้อะไรต่างกระตงกระไตในวัดเนะี่ยลงตามรักสัตว์นะท่านคนเลี้ยงกระแตกระลอกเนโอ้โหเป็นฟุงๆนะ เวลาเราเอาข้าวไปให้กิ น, นมาเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบตัวน่นะอ่าแต่นี่พอรื้อรัวเท่านั้นแหละไอ้คนที่บ้านตานอายุประมาณสักสี่ห้าหกสิบเลยทผมขาวเเขาเรียกว่าตาหัวอกนะมันเขามายิงเอาสัตว์อ่าิงเอากระรอกกระแตในในที่เขาไปเลี้ยงไว้นะ่ะอ่ามันก็เอา อะไรไปแล้วกันเป็นดักอยู่ในนั้นอ่ะเอาปืนแก๊ปเสียงดังค่อยๆอ่ะเอาปืนแก๊ปนั่ไปยิงนะอพระกับไปชั้นยังขันอยู่ที่นี่แหละมันกัดลอยแผลเข้ามาทางหลังวัดพน่ะอมันก็มากเเข้าไปแล้วก็นั่งยังกัยิงแป๊กยิงแป๊กมันก็ยิงใกลๆมันก็ตกมันตัวไส้ทงแลยกัดไส้ทงก็ค่อยหมดๆไปไปหอดมงอ หัวเลยเกิดเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังเซจแล้วก็กระโดดข่ามหัวย้อยกระโดดข่ามเกลดเนี่ยแกล้งกัไปท่นี่เอ๊ะมันเป็นอย่างมันมีคนเขามาวัดน้าสบานนี้เขาก็ดักแล้วบ้านไหนอ่เขาก็ดักโอ้แมนอิลีตเนี่ยสันอิตาอันนี้บ้านนีตาหัวงอกเลยตัวท่านนี้บานนี้เด็กน้อยเขาก็นั่นแหละมันมัดที่น้อยมันมายิงตรงนั่นแหละตรงขางกุดลงพอยู่นั่น หลวงพ่อเลี้ยงเขาห อ, อกระแต่ได้อยู่ยุพุนนะหลวงตาให้เลี้ยงเขาไปบ้านนี่เขาก็ไปดักที่สองขางบานนี่เปิ้ลกระลอยแล้วเขามากกระโดดขามเขามากหลกระแลนได้วัดไปแลนเขามาในวัดเออพอมันลบทานมันลงลง่งเลยพอลบก็มากพวกพุนเขาก็เคาะใหม่แล้วปอกปอกปอกไเปิ้นกระบู่เจ้าเขาเคาะใหม่ให้สัญ ญ, ญาณรัดเพิ่นได้แต่ว่าพวกนี้กับพวกนี้กับ อยู่หันแล้วันนี้อยู่ในซุ่มที่มันไปซุ่มวันน่ะสองคนไปนั่งอยู่ในซุ่มวันแล้ววันไปเออวันแลกพวกนึงก็ไปนั่งอยู่คางท่างอีกหมองมันจะออกไปว่นนั้ไปบาท้ายแรกกัพวกนึงกับผู้สี่จับก็จะพูดนห่ะอยู่หมองหัวคนละวันไปพอได้เขาเคาะปอกๆท่านั้นแหละเขาก็ประกาศนะคนเอ้ยข้นขวารทศนิขวานนะเพื่อนเขาข้นขวารมัแกล้งมาแล้ววันนั้ไปแล้งมานลบ มองซุ่มมองเพลินอยู่พ่อมาหอดีหมดสองคนมาอยู่นี่มันเขาดักอยู่นี่แล้วลไปมันมาย่างเท่านี่แลนออกก่อนไปแลนออกทางเกา่าแลนออกทางเกา่าไปหอดมองทางที่เขาน่พวกนั้นดักอยู่พุ่นแล้วเขาจีจับยดเท่านี้วสันมันเฮ็ดจังวสัเนี่ยมันมาย่งสัดในวัดติเนี่ยวัน้าหลายมือเลนี่ยเฮ้ยะนนี่ บากอ้ยคอยหาก็ม่านี่แล้วตอขุนวาเดเอ้อบาทานแล้วเขาก็เลยจับแล้วกขาไปบอกให้หลวงตาฟังหลวงตามันจังไรเะ็สดันมันโยดีมันน้มหน้าน่ะสั่นมันคนบันตาดคคักวะสั่นเนมันมาเฮ็ดซัวในวัดในว่าตี่มันบาคนี่นะว่าตายจะไปหากุศลไลให้มันนะวะั่นเนยขุนวอ่คำมันตายก็จะไปกุศลไให้มันค้นสัวปนิวะสั่นเนี่ยเนมันสัวคักปนิวะั่นเนี บาดทะแล้วต่อมาบาดเนีต่อมาตะแกไปหาไอ้กบผาเขียดน่อยไปไปจกขอนงูวงูเหาอะไรกัดกัดมือตะแกวะหน่อพอไปกัดหลบบาดหนึ่งเขาก็มาบาดมางู ก, กัดกันไปหอดรุ่งพยาบาลสูตรรุ่ดอนปัดปมมียาหญ่เสื่มนะออกจากเสื่มบดไปน้องข่ายอกีกกระปมียาหญ่เสื่มอีกที่จะสีดระงับ พ่อกลับมาหอดบ้าน่ะเป็นบ้าเลยวันน้นไปมันขึ้นสมองได้บ้านเนี่ยพ่อขื่นสมองเป็นบ้าเห็นข้นมากเลโอ้จนเอาเสือกมัดแอวไหวในต้นเสาเลยวนันน้นไปคือกันครับแต่แกไปใส่เหว่ยก็หอกกระแตนอนวัน้นไปเออก็หอกกระแต่ยอยากข้อเด้เอ่อเหว่ยก็หอกนียอยากข้ออยากแอววน้นไปแต่แกไปเฮ็ดจังหวันเอ่อไว้อลไรจะข้นเขาได้มัดแอวใช้ต้นเสาไหววัน้นไป ปวดในสุกัสตะแกก็เลย ต, ยตายตายเข้านั่นละ่ะพราะตายบัดเนี้เขามามาในม่นพระบาดนียมาในม่นพระพระกระบอกกาไปแล้วพระหลวงตาก็ลงกรุงเทพบดเนีโ้ยพวกกูบาไปบ่ได้แล้วเพราะว่าหลวงตาบอกว่ามันตายบ่มีพระกุศลาวท่านค่อยไปล้วไปฮามนวัดอื่นไปว่านนี่ยบ่ายห้แล้วแต่เขามมนพระไปเขาเลยไปม่นวัดอื่นมาแล้ว วัดอื่นเนี่ยคอยได้มากกุสลาให้บ่าหาหลวงตากับมาเลวเย่อยหลวงตาฟัง่านหลวงตาโอ้ยเข้ากบาวาปนานันรอกก็จะไหนเข้ากบาวาจะไนาย่ำเข้าเข้าห า, า, หายไหแต่มกดีแค่กัน่ะเป็นตัวอย่างคว่าได้บัดนีอยขันภเัเฮ็ดช่วงสันยัไปหา ก, กุสลาให้มั่นพุ่หลวงตาวาเดิไปพอเนั่นฟังฟั ง, ฟงไว้นะ่หวกเฮ้าน่ยวัดว่าศาสนาเป็นสถานที่เคารพสักการะ เป็นทีเสดชูบูชามาจะมหาข่าซั์ตัดชีวิตมาทำความสัวในวัดได้จังใดนี่แหละหลวงพ่อเคยพานมาแหละเด้หลวงตาเพินวาจังสันเด้พะอนั้นขอให้พวกเฮ้านะทุกคนนะให้รับผู้รับทราบร่วมกันเรื่องซั์ในวัดมันมาพึงพาอาศัยฟัดของเฮ้าเออมันขออบอุ่นมาเลยจะมหาขามา ตกเบ็ดมาอย่างในวัดมันโบแมนแนวเดยเ์มองมองนี่เป็นมองไห้อภัยท่านเนี่ยมองไห้อภัยต่อสรัพย์สัสทธ์ทั้งหลายโบแมนสี่บ่งสี่จิตมาคาสัตชีวิตนะนี่หลวงพอยังบอกเลยเนกล่างนกกระล่างนกถั๋วหัวงอกนะมันเม่าหอดเนี่ยมาหอดข่างสลาหลวงพอ่อยังบางทีมันมาแตะ หาฮกเยต8ตัว10ตัวเนี่ยพราะมอฮอตนี่มันห้องทั่านขย่าวปีกพ่องอ้าปากทุกตัวลงไปเออท่านขย่าวปีกพ่อมลงไปหลวงพ่อว่าโอ้มันมาฮอตจะล่ามั่นก็เลยโอ้ผู้ขาพวกปงขาทั้งหลายได้รับความล่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเพราะวัดว่าศาสนากันผู้ขาไปยุ่งของอื่นกน็คือที่ถือปืนถือขามดแหละอันนี้มาอยู่นี่ได้รับความล่มเย็นเป็นสุข มันมโหดหมดนี่มันก็เลยลองเพ่งชาตดนะประเทศไทยลงนำเนื้อชาดเชื้อไทยเป็นประชารัชอ <c oughs> มันลองเพ่งชาดกันลงไปเพราะเหตุไดเพราะมันได้รับความสุขดเดชไข่ข้าไวไปดูวัดว่าศ า, ศาสนาเนี่ยมีความสงบปลมเย็นเป็นสุขถ้าว่ายู๋บางอื่นคือจะถือขาแล้วมันก็จะว า, านั่นนั่นพอมาโอดหมองได้มันก็ห้องคูอเอ่เทอากันไปมันมาลองเพ่งชาติตรงพ่อวานะ แต่มันชีห้องจะได้กับบุญหุ่จักมันละวะแต่หลวงพ่อว่ามันห้องเพ่งชาติมันลงไปเพราะมันมาอยู่เห็นวัดว่าศาสนาได้รับความลมเย็นเป็นสุขเดย์พอพ่อเมีมยไผ่เบียดเบียนมัน่นนี่แหละอันนี้คือกันสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวัดเห็นหมู่ห้องอยู่สิชนนี่เนี่ยพวกเรี่งพวกคางเป็นเสียแต่ตัวไหมันดื้อเอาก็จับไปปลอยมองอื่นจับไปย้อยไ่รู้ว่ากี่ครั้งแล้ว แต่ข้าวเนี่ยก็คืดจุกคืดกันนะคือว่าจิตจับมันไปปล่อยอยู่ปลวกลิงมันหลายโพดปล่อยใส่หลวงพ่อหนูปล่อยวัดหลวงพ่อสดปล่อยวัดทันเรื่องปล่อยวัดทันซักแต่ผู้ก่อนเพลิงบ่อแล้วมันหลายโพดแล้ผู้ก่อนเจี่ยงผู้ก่อนก็ลิ้นหลวงพ่อขึ้นไปนี่ยไปปล่อยไว้หันสมัยนั้นเกือบลอยตัวนะเดี๋ยวนี้ขยายพันธุ์มากเ่ยจากนั้นวัดสามสีวัดเนหลวงพ่อไปปล่อยให้มันอยู่ในเป็นหมูของเพลินกันลงไป นี่แหละตัวใดมันดื้อหลวงพ่อไปปล่อยให้กันเนาะบัว่าคนบาวาัวสัดแหละสัว์คือกันขันตัวใดดื้อกไปปล่อยคนคือกันนะ่ะขันผู้ใดดื้อไปปล่เขาวัดพระอยู่ในวัดคือกันองค์ใดบัเสือฟัง่งบัอยู่ในกฎระเบียบบัอยู่ในรักธรรมวินัยหลวงพ่อไล่นีออกจากวัดปรจักสักองค์คือกันเนาพราเหตุใดเพราะว่าพระบัอยู่ในกรอบของลักศิลธรรมบัวอยู่ในรักพระธรรมวินัย วายนั่นสิ่งใดก็ตามที่มันบอดีแอบพวกข้าวขอวรจะกระจัดออกขึ้นกันนั่นอ่ะวายนั่นพวกผู้ใดก็ตามก็จะมาสู้วัดว่าศาสนาเลยต้องสำร่วมกายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มิศิญจึงค อ, คอยเขาไม่สู้วัดว่าศาสนาคันหวว่ามันทำตัวว่ได้บอกวรจะมาเปื้อ น, นมูอขวรจะออกทางควรจะหนีจากมูคู่บาอาจารย ชัท่ายาติโยมมันจึงจะถูกอมองนี้เป็นมองฝึกฮัดดัดนิสัยเป็นภูมิเป็นสถานที่อบร่มบ่มนิสัยเป็นสถานที่สั่งสมบารมีแม่นมองสั่งสมบุญกุศลบ่แม่นหมองสั่งสมบาปอมองเฮ็ดบาปออกไปทางนอกวัดโบอึศประยาที่เอาแบบไรก็ได้มองนี้เป็นหมองเข็ดบุญ สั่งสมบูรณ์เป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นโยมที่ดีอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเด็กน้อยผู้ใหญ่ที่ดีอคอยมาอยู่จังสี่ขั้นว่าตัวเองเฮ็ดบ่ไรแต่อยาเข่ามาไปเฮ็ดอยู่หมองอื่นพวกนะ่ะมองอื่นหมองเฮ็ดปุ้ยปุ้ยปอยากมันโบแมนทีมาเฮ็ดความสัวอยู่ในี่มองเพิ่นเฮ็ดดีมันโบแมนแนว เ, เพราะนั่นแหละงพอจังเลยบอกเล่ยละ ปูดบอดีบววพระบว า, า, บว า, ยบวาัยยมบัววัยไพรไปตามนะ่ะห <Yeah. S 1> ดลิ่งลวะล่นะลงบอดีหลวงพ่อเขายังจับยังที่วานนะบวาัว่าซัดตัวใดละ่ะจังงูกังสิหลวงพ่อยังจับไปปล่อยนอกวัดะนะเหตุใดาอว่าอันตราย น, ะนี่แหละพวกเข้าขึ้นกันค้นขึ้นกันหลวงพอบอกเลยสิิง ท, ท, ที่มันบอดีจะลูปหน้าปะจมูกบอได ลูกหลานพวกได้ก็ตามที่มันบูดี ค, คือมันบูดีทีว่าหน่อยว่ามันดีใด้จังไดเพราะมันบูดีนี่นมันบูดีเฮ็ดจังใดก็ต้องให้ออกนอกวัดจะอยู่ในวัดใดจังไดเพราะมันบูดีเนี่ยนะขอให้พวกลูกหลานทุกข่ทุกคนนะที่หลวงพ่อฟรอยฟั่งเนี่ยหลงพอ่พอบนะอกตามความเป็นจริงเลยเรื่องมันเป็นอย่างไรบอกจังสัน น, นี่แหละคือธรรมธรรมะคือธรรมคาสอนเนี่ย พูดตามความเป็นจริงทำมันว่จริงนะยะพูดถ้าพูดไปแล้วมันบ่ามันจริงเสียหายถ้าพูดพูดตามความเป็นจริงนะเนี่ยอ่มันมีแต่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อพระพุทธศาสนาแต่สิ่งใดที่พูดติบออกไปแล้วมั่นบอดีเสียหายเสียหายต่อวงการพระพุทธศาสนา วันไหนสำรวปกายวาจ่าให้เรียบร้อยชื่อวัดวศีลนะพนักคอยภู้คณะชาญญาติโยมลูกลานทุกคนเนอะให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมบอกง่ายๆให้หูจักการสถานทีบุคคลอย่างวัดว่า ศ, าศาสนาเนี่ยเข้าขั้นเห็ดจังใดมาอยู่จึงสี่อยู่ทางนอกเขาเห็ดจังใดอยู่ทางในวัดเท่าเห็ดจังใดมันต้องหูจักสถานที่แห่งนี้เป็นสถานทีขั้นปฏิบัติตนจังไร กาละเทสะบุคคนนะผลงานลักทําข้าสอนของพระพุทธเจ้าเพูนสอนไปจังสันเลยเอาตอนนี้ไปรับพร น, นะบ้านนี้นะพลงานจะนี่มันห่องจะ น, นี่มันห่องรบขวนลงพรเละพ่อบอกบ่สะดวกเมือนเนี่รับฉีล ร, รับพรใ น, นบานนี้เนอะอุทิศโสรณกุศลเนอะ